เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกขงมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจญาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นชนะความไม่รู้ความไม่เห็นริมคืออวิชชาอากุศลโมลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชา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 เพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสคุริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นไนความกําหนัดความกําหนัดนัก ความชักนำให้คล้อยตามไปความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไฉนะทิฏฐิความเห็นผิดชักเคอทิฏฐิปันดานเคอทิฏฐิความเห็นที่เป็นฆาศึกความเห็นโลเลสังโยคเคยทิฏฐิ ความยึดมั่นความถือมั่นความถือรั้นความถือผิดจากความเป็นจริงทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิที่เป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสนี้เรียกว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไนเว้นอุปาทานแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นไนความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวะธรรมนั้นๆนี้เรียกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเป็นไงนชราหนึ่งมรณะหนึ่ง ในชราและมรณะนั้นชราเป็นไนความแก่ความคล่ำคร่าความเสื่อมอายุแห่งสภาวะธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชรามรณะเป็นไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกสลายความแตกทําลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งสภาวะธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีคำว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อธิบายว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้น <administration> ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจายการเหล่านั้นอวิชาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นริมคืออวิชาอาคุศลรูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชาเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 ในคำว่าเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาจึงมีนั้นนามเป็นไนะเว้นภาษาแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเป็นไนะความกระทบกริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยภาษะจึงมี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 เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไนะรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไนะจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่า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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉนยัยความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชากุศน ล, ละมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชา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 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นไฉนนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนความแรกเกิดแห่งจักคายตนะแห่งกายายนะหรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐาน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 มหาภูตรูปสี่และรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมีเป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะขานายตนะชิวหายตนะกายายตนะและมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมี เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปัจญาจตุกะจ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 เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานั์มโนโวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเป็นฉไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานักมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนความกระทบยิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยพรรษาที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเพราะพรรษะเป็นปัจจัยเวทนาที่มีพรรษะเป็นเหตุจึงมีเป็นไงนความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาที่มีภาษะเป็นเหตุจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่มีเวทนาเป็นเหตุจึงมีเป็นไนความกำหนักความกำหนักนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่มีเวทนาเป็นเหตุจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตัณหาเป็นเหตุจึงมีเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิด แชทเคยทิฏฐิรันดานเคยทิฏฐิความเห็นที่เป็นข้าศึกความเห็นโลเลสังโยคเคยทิฏฐิความยึดมั่นความถือมั่นความถือรั้นความถือผิดจากความเป็นจริงทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสนี้เรียกว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตัณหาเป็นเหตุจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 เพราะนามเป็นปัจจัภจนนะภญญยภาษะที่มีนามเป็นเหตุจึงมีนั้นนามเป็นไนะนเว้นภาษะแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน์นี้เรียก <Fuck. S 2> ว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภาษะที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัย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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกลองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บันดาปั จ, จยาการเหล่านั้นอวิชาเป็นไหนความไม่รู้ความไม่เห็นล่มคืออวิชาอากุศลรำวลคือโมอหะนี้เรียกว่าอวิชาเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชาเป็นเหตุจึงมีเป็นชไหน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 ประมวลยอ่อนามและรูปดังที่กล่าวมานี้เข้าด้วยกันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีคําว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอเยตนะที่หกที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไน รูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมี เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพรรษาที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเป็นฉไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพรรษาที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัญหาที่มีเวทนาเป็นเหตุจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตัญหาเป็นเหตุจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปัญดาปัจจยาการเหล่าน mm ั hmm. ้นอวิชชาเป็นชไหน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 <mister isation> จิตมโนมานัตมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี <Gi> ้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังการขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉน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 จากขายตนะมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาที่มีสลายตนะเป็นเหตุจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาที่มีสลายตนะเป็นเหตุจึงมี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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เฮตุจตุกะจบเจ็ดสัมปยุตตาจตุกะในสมัยนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณท hmm. ี่สัมปยุทธ์ด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่หกจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตันหาจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉหน ความไม่รู้ความไม่เห็นลิเมเค อ, อวิชาอากุศลรวมคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชาเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมพยุตด้วยอวิชาจึงมีเป็นไฉไ <urers> ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมพยุตด้วยอวิชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย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 นี้เรียกว่าเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยปูปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตันหาจึงมีเป็นไน ทิฐิความเห็นผิดลทัทธิที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาดนี้เรียกว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุต ด, ด้วยตัญหาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมว น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุต ด, ด้วยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตัณหาจึงมี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 เวทนาขันสัญญาขันและสังขรารขันนี้เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเป็นไฉไรความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้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 บรรดาปฏิยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอกุศล ม, มูลคือโ ม, มหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอวิชชาจึงมีเป็นไนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอวิชชาจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมพยุจด้วยสังขารจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานต์มโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมพยุจด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามและรูปที่สัมพยุจด้วยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉน เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไนความแรกเปิดแห่งจักขายตนะกายายตนะหรือแม่รูปอื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่กเปิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กกล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย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 นามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเป็นไฉไหนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไฉหน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 รูปเป็นไนความแรกเกิดแห่งจักายตนะกายายนะหรือรูปแม่อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปและนามที่สัมพยุดด้วยวิญญาณจึงมีคาว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ชาลตนาและอจตนะที่หกที่สัมพยุดด้วยนามจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนะมหาภูตูรูปสี่และรูปที่มนโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะและอายตนะที่หที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเป็นฉไหนจากขายตนะมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะและอายตนะที่หที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยภาษะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไฉไหนความกระทบกิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจใจปัจจะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่หกจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สัมปยุตตาจตุกะจก